เรื่องอุปสมบทครั้งละสามคนมีอุปชารูปเดียวสมัยต่อมาพระเทระหลายรูปต่างก็มีอุปสัมปทาเปกะหลายคนอุปสัมปทาเปกะเหล่านั้นต่างเถียงกันว่าผมจกอุปสมบทก่อนผมจกอุปสมบทก่อนพระเทระทั้งหลายจึงกลาบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สวดอุปสัมบทาเปิกขะในอนุสาวนาเดียวกันครั้งละสองคนสมคนได้แต่การสวดนั้นเราอนุญาตให้มีอุปชารูปเดียวกันไม่อนุญาตให้มีอุปชาต่างรูปกัน